ตอนที่169ผู้ชายที่ดีและครอบครัวสามีที่ดีล้วนสําคัญฉันว่าเธอนี่มันเห็นแก่ตัวจริงๆเสี้ยวเมียว อ, อวิ๋งไม่รู้จะสัญหาคําไหนมาด่าธเธอแล้วทั้งเห็นแก่ตัวทั้งหน้าหนาไม่ว่าจะพูดอะไรก็ดูเหมือนจะทําอะไรเธอไม่ได้เลยเจ้าตัวเขายังไม่พูดอะไรเลยแล้วเธอจะมาเดือดร้อนอะไรด้วยฉันว่าเธอคงว่างมากจนหาเรื่องใส่ตัวสิท่าลิวันเหยียดยิมย้มเยาะที่มุมปากบนหน้าเธอเขียนคําว่ารังแกง่ายไว้หรืองไงถึงได้มีคนด่านหน้ากันเข้ามารังแกเธอไม่หยุดหย่อน ลิวานลอบสำรวจเซียเหมียวอวินอีกฝ่ายดูท่าทางฐานะทางบ้านจะไม่ธรรมดาดัดผมทรงที่กำลังฮิตที่สุดในตอนนี้ใบหน้าแต่งแต้แตมด้วยเครื่องสำอางบางๆแม้แต่รองเท้าที่สวมอยู่ก็ยังเป็นรองเท้าหนังมีส้นเธอชื่ออะไรเซียเหมียวอวินตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยต้องมารู้สึกอึดอัดขับข้องใจขนาดนี้มาก่อนลิวานลิวานบอกชื่อออกไปเธอไม่ได้กลัวว่าเซียเหมียวอวินจะมาแก้แค้นเลยสักนิดชื่อก็งั้นงั้นเซียเหมียวอวินส่งเสียงเฮ้ะ อย่างมึกลังเกียดไม่รู้ว่าเขาตาถั่วมาชอบเธอได้ยังไงรถนิยมต่ำชะมัดหลีหวนันใช่ไหมจำใส่หัวไวล้ล่ะฉันชื่อเซียเหมี่ยวอวินฉันจะจําชื่อเธอไปทําไมให้เสียเวลาหลี่หวันหัวเราะเบาๆ เ, เ, เธออาจจะว่างแต่ฉันไม่ได้ว่างเหมือนเธอหรอกนะคนที่สอบติดโรงเรียนนี้ได้ไม่มีใครเป็นนักเรียนธรรมดาหรอกแน่นอนว่ายังมีความเป็นไปได้อีกอย่างคือที่บ้านเธอใช้เส้นสายพาเข้าเรียนและจุดประสงค์หลักที่เธอมาเรียนก็เพื่อมาตกลูกเขยเศรษฐีละสิหลีหวนันพูดจาแทงใจดําจนเซียเหมี่ยวอวินกําหมัดแน่น อุปากนะเชื่อไหมว่าฉันจะฉีกปากเธอให้ขาดเดี๋ยวนี้แหละไม่เชื่อลีหวันเลิกคิวเซียเหมียวอวิ๋นทําถ้าจะลงมือแต่ทันใดนั้นเสียงทุ่มต่ําก็ดังขึ้นมาขัดจังหวะทําเอาเธอไม่กล้าขยับต่อเสียวหวานไม่ยืนทําอะไรตรงนี้ที่บอกให้ไปรอที่หอพักไม่ใช่เหรอรอนานหรือเปล่าตอนแรกฉันก็กะจะไปรอพี่ที่หอพักนั่นแหละแต่ระหว่างทางดันมีเฉิงเยาจินโผลมาขวางไว้แถมยังมาชี้หน้าด่าฉันเป่าๆบอกว่าฉันไม่คู่ควรกับพี่บ้างหระพี่คู่ควรกับคนที่ดีกว่านี้บ้างละ่ะ หลีหวานไม่ได้ปิดบังเลยสักนิดเธอเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อครู่ออกมาจนหมดเปลือกที่แคนี่มันดอกทอเน่าของพี่ชัดๆพูดจะเล่เออะไรพี่มีดอกทอแค่ดอกเดียวก็คือเธออย่าเอาเรื่องคนอื่นมาโยนใส่พี่สิหยวนเซ้าเฮิงรีบปฏิเสธความสัมพันธ์กับเซียเหมียวอวินด้วยความรังเกียจตลอดเวลาเขาไม่แม้แต่จะชายตามองเธอเลยด้วยซ้ําหลังจากหลีหวานเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังแล้วสายตาของเขาจึงตกลงบนตัวเซียเหมียวอวินเขารู้สึกว่าใบหน้านี้ดูคุ้นๆอยู่บ้างแต่ก็นึกไม่ออกว่าใคร เรื่องของเราสองคนไม่ต้องให้เธอมาลำบากใจหรอกนะต่อไปถ้าฉันได้ยินเธอพูดจาไม่ดีเกี่ยวกับคนรักของฉันอีกแม้แต่ครึ่งคําฉันไม่เอาเธอไว้แน่แววตาของหยวนเศร้าเหิงเงย็นเยียบขึ้นมาทันทีจําใส่หัวไว้ด้วยเสี้ยวเมียอวินอา้าปากครั้งเธออาจจะกล้าอดดีใส่หรี่หวานแต่กับหยวนเศร้าเหิงแล้วเธอไม่กล้าแม้แต่จะพูดจารุนแรงใส่เลยสักนิดเมื่อครูนี้สายตาที่ชายหนุ่มมองมา ม, ามันทั้งเงย็นชาและน่ากลัวเกินไปหยวนไปกันเถอะเธอนี้ก็น่าเจอคนสมองไม่ปกติยังจะยืนคุยด้วยตั้งนาน น้ำเสียงที่หยวนเศร้าเหิงใช้พูดกับหลี่หวันเต็มไปด้วยความรักใคร่เอนดูเซียเมีเยวอวินอิจฉาจนแทบพังหนีน่านมีดีตรงไหนกันเมื่อมองตามแผ่นหลังของทั้งสองคนที่เดินจับไปหน้าอกของเซียเมีเยวอวินก็กระเพื่อมขึ้นลงอย่างรุนแรงบนโลกนี้ไม่มีอะไรที่เธออยากได้แล้วจะไม่ได้หลี่หวันอยู่เป็นเพื่อนหยวนเศร้าเหิงที่โรงเรียนอีกสองสาวันหลังจากนั้นเธอก็ต้องกลับบ้านเพื่อเตรียมกระเป๋าเดินทางกลับไปเรียนที่โรงเรียนของตัวเอง เดิมทีหยวนเศร้าเหิงบอกไว้ว่าจะกลับไปเป็นเพื่อนเธอแต่ทางโรงเรียนมีเรื่องด่วนเข้ามากระทันหันเขาจึงไปไม่ได้อย่างไรเสียตอนนี้พวกเขาก็ยังเป็นนักเรียนควรจะให้ความสําคัญกับการเรียนเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นเขาหรือหลีหวานก็ตามแน่นอนว่าหากมีเรื่องสําคัญจริงๆหยวนเศร้าเหิงย่อมให้ความสาคัญกับหลี่หวานเป็นอันดับแรกเสมอหลี่หวานยืนยันชัดเจนว่าเธอกลับเองได้ที่สําคัญคือตอนนี้เธอยังไม่รู้ว่าจะอธิบายความสัมพันธ์ของพวกเขากับที่บ้านยังไงดี หยวนเศร้าเหิงบอกว่าไม่ต้องให้เธอจัดการแต่ในใจของหลี่วันกลับเหมือนมีเรื่องค้างคารู้สึกว่าการปิดบังคนในครอบครัวแบบนี้มันไม่ดีโดยเฉพาะกับแม่ของเธอหลี่ชิงผิงรู้ว่าลูกสาวครั้งนี้ไม่ได้กลับโรงเรียนแต่ไปหาหยวนเศร้าเหิงเมื่อสังเกตสภาพของลูกสาวที่กลับมาครั้งนี้ดูเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนอย่างเห็นได้ชัดที่สำคัญคือหายไปตั้งหลายวันเสื้อผ้าที่สวมอยู่ก็เปลี่ยนไปอดไม่ได้ที่จะรู้สึกกังวล การเลี้ยงลูกสาวกับลูกชายนั้นไม่เหมือนกันเลี้ยงลูกสาวต้องประครบประงมมากกว่าเพราะกลัวว่าลูกจะเสียเปรียบส่วนลูกชายนั้นไม่มีความกังวลในด้านนี้เลยต่อให้เกิดเรื่องขึ้นมาจริงๆก็คงคิดแค่ว่าลูกชายเป็นฝ่ายได้เปรียบหลีชิงทิ้งขโมดคิ้วพรุ่งนี้หลี่หวันต้องกลับโรงเรียนแล้วตกกลางคืนเธอจึงนำเงินหลายร้อยหยวนไปให้ลูกสาวเพราะการไปอยู่ข้างนอกจะขาดแคลนเงินทองไม่ได้รับไว้เถอะถ้าเงินไม่พอใช้ก็บอกไม่อยากเกรงใจเลยตอนนี้บ้านพักที่แม่ซื้อไว้แค่ค่าเช่าในแต่ละปีก็เป็นเงินจํา น, นวนไม่น้้อยแลว ตอนนี้แม่ของลูกไม่จนหรอกนะลีชิงผิงพูดพางลังเลอยู่ครู่หนึ่งเซว่าลูกมีอะไรจะบอกแม่ไหมมั้ไม่มีค่ะลี่หวันไม่รู้ว่าทําไมจูจ่ๆแม่ถึงถามแบบนี้เธอขมวดคิ้วทันทีแม่คะแม่มีอะไรจะพูดกับหนูหรือเปล่าอ้อก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกแต่สําหรับลูกอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ถ้าลูกไม่พูดแม่ก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงดีลีชิงผิงคิดว่าเรื่องแบบนี้ควรให้ลูกสาวเป็นฝ่ายเปิดปากก่อนคนเป็นแม่จะถามตรงเกินไปก็คงดูไม่ดีในฐานะผู้ใหญ่ หลิหวันเดาได้ทันทีว่าแม่จะพูดเรื่องอะไรซึ่งก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของยวนเศร้าเหงิงเออแม่คะแม่ก็เดาได้แล้วไม่ใช่เหรอามามาตรงๆเลยก็ได้พวกเราแม่ลูกมีอะไรที่พูดกันไม่ได้ละ่ะลหวันพูดถึงยวนเศร้าเหิงด้วยท่าทางขัดเขินหนูเองก็เพิ่งจะมาแน่ใจครั้งนี้แหละว่าในใจคิดยังไงกันแน่เมื่อก่อนหนูคิดมาตลอดว่ามองเขาเป็นที่ชายคนโตแต่ความจริงมันไม่ใช่ความรู้สึกที่หนูมีต่อเขาไม่เหมือนกับที่มีต่อเสี่ยวหยางหรือเสี่ยวซิงเป็นอย่างที่คิดจริงๆ ลิชิงพิงบอกไม่ถูกว่าตอนนี้รู้สึกยังไงรู้สึกเหมือนผักกัดขาวที่เฝ้าถนนถนอมถูกคนอื่นมาสอยไปเสียแล้วแม้จะรู้ว่าต้องมีวันนี้เข้าสักวันแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะมาถึงเร็วและกระทันหันขนาดนี้แม่เคยบอกแล้วว่าเรื่องแต่งงานในอนาคตลูกตัดสินใจเองได้เลยขอแค่เป็นคนที่ลูกสาวไม่เลือกแม่ก็พอใจทั้งนั้นลีชิงพิงพูดพางชะงักไปครู่หนึ่งเศร้าเหินคนนี้แม่ก็เห็นว่าเขาเป็นเด็กดีที่สําคัญคือพวกเราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กลูกหลานที่ปูกกับย่าของเขาเลี้ยงมาต้องไม่เลวแน่นอนปัาาคออนนนี้้แม่่่่ขงงงงกกวลลทฝระะูย ตระกูลเจ้าแม้จะดีแต่ตระกูลหยวนนั้นร่ำรวยมหาศาลหากทั้งสองคนคบกันคนตระกูลหยวนจะคิดยังไงพี่เขาบอกว่าหลีวันหยุดไปครู่หนึ่งตระกูลหยวนรู้เรื่องนี้แล้วค่ะแม้แต่คุณปู่คุณย่าของเขาก็สนับสนุนให้เขาจีบหนูไม่ได้มีความเห็นคัดค้านอะไรเลยจริงเหรอคราวนี้เป็นหลีชิงผิงที่ตกตะลึงเสียเองหากเป็นอย่างที่ลูกสาวผู้จริงๆก็นับว่าเป็นเรื่องดีมากปรับใดที่พวกเขาไม่คัดค้านในอนาคตย่อมต้องปฏิบัติต่อลูกสาวของเธออย่างดีแน่นอน การได้สามีที่ดีนั้นสำคัญแต่การได้ครอบครัวสามีที่ดีนั้นสำคัญยิ่งกว่า